ฟังธรรมวันนี้เป็นวันพระเดือนสิเว็ขึ้นแปดค่ำใกล้จะออกพรรษาระวณ า, าแล้วคจริงนะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเนี่ยก็เป็นในเพียงสมมุติสำหรับวันคืนปีเดือนก็ของเก่านั่นแหละ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 ผู้ไม่มีรกรมีตรเดินเศรษฐีกนน็นั่งรถม้านั่งรถเทียมด้วยมา้าเท่านั้นเนี่ยไปอ่ะอเพราะฉะนั้นอาการที่เราได้เกิดมาในชาตินี้ก็นับว่าเป็นลาภอย่างหนึ่งที่เราได้รับความสุขจากธรรมชาติ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 อา้าวอยู่ดีดีบางทีก็เกิดสงครามขึ้นมาลบพุ่งกันแล้วก็ บ, บ้านแตกสลาขาดเอา้าอะไรอะไรก็ชิบหายไปหมดนั่นแหลยหมายถึงความสุขชั่วคราวมันมันย่อยยับไปแล้วเหมือนเนี่ยบางทีอยู่ดีดีเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมา อ, มอะไรอะไรก็มดเหนื่อหมดตัวมีอยู่ท้อไป เมื่อไม่ถูกใครแล้วก็คนนั้นก็ไม่ค่อยรู้สึกเมื่อมันถูกเข้ามาแล้วนะั่นะมันถึงได้รู้สึกอย่างรุนแรงนะเรื่องความวิติต่างๆหมดเนี่ยมีที่กันน้ำท่วมอย่างขนาดใหญ่พาดพาดเอบาวาันเรือนพังพินาทิไหผเออวควสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจมน้าตายหมดนี่มีอยู่เกือบให้ว่ามีอยู่ทุก ป, ปี อีกนอกจากประเทศไทยประเทศอื่นบางประเทศยิ่งประสบกับภัยเหล่านี้อย่างร้ายแรงมากทีเดียวอันน้เพราะฉะนั้นจึงว่าโรคอันนี้นะ่ะมันมีทั้งคุณมีทั้งโท ษ, มทโทษไม่ใช่มีแต่คุณอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่มีแต่โทษอย่างเดียวมีทั้งคุณทั้งโทษเลยทีเดียว <c oughs> สำหรับผู้มีปัญญาแล้ว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 ไปโลกหน้าก็หาความสุขไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขโขปุญญาสะอุจเยโยการสั่งสมบุญนำการสั่งสมบุญนามาซึ่งความสุขท้งนี้ตามพุทธภาษิตนี่แสดงว่าคนเราจะมีความสุขได้ในขั้นใดก็ดีอาศัยบุญกุศลแท้ๆบางคนก็ลืมบุญอย่างว่านั่นแหละ บางคนก็ไม่เชื่อบุญซ้าเลยบุญแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้มาครบถรวนบริบูรณ์แล้วบางคนเข้าใจผิดว่าืมันเกิดตามธรรมชาติของมนันรูปร่างกายอันนี้นะไม่ใช่บุญทำกําแต่งอะไรนี่บางคนก็เห็นไปนี่ก็มีผู้ที่เห็นเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ทำบุญเลยเพราะมันไม่เชื่อว่าบุญนั้นจะมาแต่งอัฐภาพร่างกายนี้ให้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 การทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเอา้านั่นก็ยังไม่ชัดนี้ก็ต้องตีความหมายไปอีกทำความดีนั้นทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นบุญกุศลขึ้น<ม>เราทำความดีนี่หมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นแหละเมื่อเราทำถงใดลงไปแล้วมันให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนั้นท่านเรียกว่าทำความดีอ่ามานี่การทำความดีที่ให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นนั่นก็ยังมีส่วนจำแนกแกกออกไปอีกทีหนึง่งการทำความดีก็หมายความว่าการที่เราให้สิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้อย่างนี้แหละหรือว่าเราให้ที่อยู่แก่บุคคลที่ควรให้นี่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 ก็หมายความว่าการให้แกท่านผู้มีกุศลคุณงามความดีสูงส่งอยู่ในต้นหรือว่าท่านผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นนะการให้อย่างนั้นน่ท่านว่ามีผลมากการให้แกบุคคลทั่วๆไปหมายเอาบุคคลที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เนี่ย เสี่คนทุกคนจนคนอนาถาอะไรเหมนี่น่ ะ, ะมันก็มีผลน้อยเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นไม่มีคุณสมบัติอะไรเลยอุปมาเหมือนอย่างที่ดินที่ไม่มีรสชาติบุคคลไว้ปลูกพืชอะไรลงไปก็ไม่งา ม, มาถึงแม้มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่โอกงามเพราะว่าดินนั่นมันจืดมันไม่มีรสมีชาตินั่นแหละเทียบ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 หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นท่านว่ามีผลมากดังนั้นที่พระศาสดาทรงสนรเสริญคุณแห่งพระสงฆ์ก็าเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันประเสริฐในที่นี้ก็หมายเอาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่พระพุเทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัตไิไว้ โดยเคร่งคัดปฏิบัติทางจิตใจเจริญสมถะวิปัสนาเพื่อละราะโทสะโมหะมานาะติเถียงต่างให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, กจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นอย่างนี้ ท, ท่านจึงเรียกว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีเรียว่าปฏิบัติเพื่อละกกิเลสบาปธรรม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 เพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสจึงมีผลมากดังนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจงพากันพิจารณาเอานี่ไหมาความว่า <c oughs> เมื่อเราจะบริจาคทานวัตถุสิ่งของอันใดก็ให้ยกขึ้นจบสีสะัะ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 พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนั้นแสดงว่าทานที่เราให้ในี่เราอุทิศ ต, ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกของพระพุทพระภูทภาคเก่าสี่ทานทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นแต่มีสมมุติสงเป็นผู้รับแทนนี่ให้เพิ่งพากันเข้าใจ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 เห็นได้ออกับบุคคลบางคนนะที่มีเวรตามมาสนองมีแต่ความวิบัติไม่มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้พอเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้หนอหนึ่งเอาความวิบัติมาถึงแล้วอย่างนี้แหละ <c oughs> ทั้งนี้ก็เพราะกรรมเวรแต่หนหลังนั่นแหละมันตามมาสนองเอา บางคนอยู่ดีๆเนี่ยรรมาหากินตามปกติธรรมด า, าบางทีก็ไปขัดผลประโยชน์กับใครต่อใครบ้างเข้าฝ่ า, ายหนึ่งเกิดพยาบาทวางแผนฆ่าให้ตายลงไปหมู่นี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นเวรแต่หนหลังทั้งนั้นแหละตามมาสนองเอา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 จนตลอดถึงอายุไขของยุคหนึ่งหนึ่ง mm. อายุไขของในยุคนี้ของคนในยุคนี้มันก็มีอยู่เจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นเองเนี่ย mm. แต่ถ้าผู้ใดอยู่เลยนั่นไป mm. ก็เรียกว่าสังขารร่างกายก็สรุดโทรมไปแล้วใช้งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ดอก mm. มันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันแต่สมัยครั้งพุทธเจ้านั่นคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นอายุไข แต่ว่าผู้ที่มีชีวิตยอยู่เลยร้อยปีไปก็มีถึงร้อยยี่สิบปีร้อยสี่สิบปีนงก็มีแต่ครั้งพระเจ้านะแม้ในยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็มีคนมีอายุยืนถึงร้อยปีหรือว่าร้อยกว่าปีนี่ก็มีอยู่แต่แล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่หรอก <c oughs> มันก็อยู่รอวันเวลาไปเท่านั้นเองเนี่ยเราจะทําคุณงามความดีอะไรได้ เราจะสั่งสมบุญกุศลอะไรให้มากได้ก็ในระหว่างที่อายุอยู่ในระหว่างนับตั้งแต่ยี่สิบปีขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าปีนี่นี่ย น, นะระยะนี้หรือว่าหกสิบกว่าปีนี่ผู้สุขภาพดีก็อาจจะไปถึงเจ็ดสิบห้าปีนั่นก็ยังทำกุศลคุณงามความดีอะไรได้อยู่ <c oughs> อันนี้ให้พากันเข้าใจที่เรามีชีวิตอยู่มาได้เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทํามาแต่ก่อนแท้แท้อาศัยแต่ชาติก่อนนั้นได้ให้เข้าน้าําโพชนะอาหารเป็นทานบุญกุศลอันนี้มาตกแต่งให้มีร่างกายสมบูรณ์มาให้สุขสม <c oughs> การที่เรามีอายุยืนยาวนานมา ไม่ค่อยมีโรคไัยเบียดเบียนอันนี้อันนี้สงสินแต่ชาติก่อนได้รักษาสินห้าไม่เบียดเบียนบุคคลอื่ น, นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์ทรมานหรือให้ล้มให้ตายนั่นแหละผู้บุคคลเป็นผู้รักษาสินไม่ทําบาปแล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีบาปอะไรติดตามมาตัดรอนชีวิตที่ให้ตายแต่ยังหนุ่มยังแน่นนั่นแหละผู้มีอายุยืนไปจนถึงอายุไขเนี่ยแสดงว่า ไม่มีกรรมเวนแต่ผลหลังตามมาสนองเอาไอ้ผู้ที่อยู่ไปไม่ถึงอายุไขเนี่ยสแสดงว่ามี ร, รมชั่วเว้ชั่วแต่ที่ตนได้ทำมาติชา ก, ก่อนนั้นมันตามมาตัดรอนเอาให้ตายไปเสียก่อนที่จะถึงอายุไขอันนี้ให้พากันสังเกตดูนั่นแหละคนเรามันถึงได้มีอายุยิ่งย่อนตัวกันไม่เสมอกัน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 เนี่ยเรากราบเราไหว้เราสักการะ บ, บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกายวาจาใจอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลอันนี้เนยเรานั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจให้แน่วแน่ลงไปแม่จะไม่ได้นานก็ตามขอให้ทำใจให้มันสงบลงได้อย่าให้ใจมันไปยึดถือเรื่อ ง, งต่างๆภายนอกไว้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 เห็นเพื่อนฝูงทะเลาะวิวาดกันอย่างนี้เราก็ไม่เข้าข้างใครเราพยายามไปไกลเกลี่ยปรับความเข้าใจให้เขาฟองรองสามัคคีกันแทนที่เราจะไปถือหางข้างหนึ่งแล้วเบียดชังอีกข้างหนึ่งอย่างนี้เราไม่ถูกต้องเรียกว่าไม่เป็นธรรมไปอย่างนั้นเราต้องทำใจเป็นกลางพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาฟองรองสามัคคีกันให้ได้ นี่วาจาอย่างเนี้ยมันรุนแต่เป็นบุญกุศลนั้นแหละผู้ใดใช้ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาอ<ม>ืแล้วคำหยาบโลนต่างๆนานาเมื่อนี้อย่าเอามาใช้กันเลย<ม>ด่าพ่อร่อแม่ด่าโคด่าวงอะไรกันหมูเนี้ยอ<ม>ใช้พูดตั้งแต่วาจานิ่มนวลอ่อนหวานต่อกันอะไรกัน<ม>ก็อย่างว่านั่นแหละการนี้มันจะใช้ ว่าจะอ่อนหวานนิมนวลต่อกันและกันได้อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมาจากใจนู่นการที่บุคคลมาฝึกใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในกิเลสอย่างนี้นะการพูดจาประศัยมันก็จึงอ่อนหวานอ่อนโยนได้ถ้าปล่อยให้ความโลภความโกรธความกำจิตใจอยู่เช่นนี้นะ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 เพราะฉะนั้นพึ่งพากันชำระจิตใจของตนให้เบาวางจากกิเลสปาประธรรมทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอยุดปิดลงเพียงเท่านี้